มีใครไม่เคยมาไหมเคยมาไหมไม่เคยมามั้ยเคยมาแต่ก็รู้สึกมันไม่ <c ười> มันก็เป็นปิติที่ไม่แน่ใจว่า มันจะต้องมีธุระมันก็ต้องออกจาก ก็มีไม่ห้ามนะไว้ห้ามไม่ได้นึงเป็นที่อาศัยของจิตเวลา สภาวะธรรมเนี่ยเราจะพบว่าสภาวะธรรมมีตลอด ออกไปรู้ไปเห็นใจปรุงแต่งใจทํางานทั้ง จิตใจถ้ากระใจออกนอกเนี่ยไม่มีกําลังที่จะ ฉักว่ารู้นะกระถลําลงไปรู้ไม่เหมือนกันๆรู้สึกแล้วเข้าไป มีทิฏฐิคือคิดว่าต้องๆใช่แกล้งคํา สำรวมหมายถึงว่าเมื่อตาสังวรน่ะยินเสียสังวรนะตากระทบรูปภูกระทบ เงินตอนนั้นมีกิเลสขึ้นมามีตัณหามีทิฏฐิ เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเหตุแล้วสติเกิดเองให้เกิดสตินั้นหน้าที่รู้ๆแล้วสติๆอารมณ์ว่า สมาธิก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นควรปัญญา สติไปดฤครู้สภาวะธรรมด้วยจิตที่มีสัมมาสมาธิ เห็นตรงความจริงมันไม่ใช่เราไม่ต้องไปละความเป็นเรา ตอนหลวงพ่อศาสนใหม่ๆนะบางคนเป็นด่าเอาว่าหลวงพ่อสอนผิด จะไม่เคยไม่มีข้าวต้องกําหนดยังไงไม่เคยไม่มีพระ ลืมหลักหลักเนี่ยพออาตมาพูดถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแล้ว แต่ระยะเวลาที่เนี่ยทําๆกับใช่เมื่อก่อน จริงๆแล้วต้องบอกอาจารย์อ่ะตอนนี้ว่าผมเน้นสอนเรื่องว่าสมถะ สมรรถะมันก็ง่ายสําหรับคนที่ทําเป็นมันก็ยากสําหรับ กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาเหมาะกับตัณหาจริตเม ท่านเทียบจิตกับธรรมเราก็มาคร่อมออกตาม ไม่ต้องทำต้องทําเอ้าปายานุปัสสนามอกับสมถายานิกไม่ใช่หรอเนี่ย ตรงเนี้ยค่ะเราใต้ ตัวการเป็นผู้ดูอย่างว่างง่ายเป็นผู้ใหญ่ เพราะว่าจะสืบจริงๆนะๆ คนตื่นขึ้นมาโดยไม่เจอหลวงพ่อนะฟังซีดีอย่างเดียว ทำไมโยมตื่นขึ้นมาภาวนากันได้อย่างนี้โยมตื่นขึ้นมาโยมเห็นสภาวะ จริงๆแล้วธรรมะง่ายที่สุดเลยเราไปคิดมากหรือยากนานรู้ งั้นอย่างสมถะทั้งหลายเนี่ยมุ่งเอาสุขเอาสงบเอาดีก็ ยาวแต่นั่งเที่งไว้กำหนดไว้ประคองไว้ถ้าเที่งไว้ คือตั้งต้นเพื่อฝึกให้มี อ่าเป็นจุดเริ่มก็คือตั้งก่อนนั่นเองใช่มั้ยคะเป็น เป็นกุศลจิตนี้เป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตนะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่ว <c oughs> เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดสติตามรู้เพื่อให้จิตจํา <ai> <in Hebrew> วิเศษที่เกิดเองสติเป็นอนัตตาบางทีสติระลึกรู้ แต่เติมชีวิตของๆรู้สึกว่าจิตนี้เที่ยง ฝึกอย่างนี้ในที่สุดเห็นน่ะ เห็นในชีวิตที่ขาดสติดับไปแล้วมีสติอยู่ชั่ว แล้วเดี๋ยวมีจิตที่มีสติอ้อเมื่อกี้เผลอไปพอเมื่อเพ่งเกิดการทํางานๆเค้าจะดัดแปลงเค้า ยังไม่ได้เอาจิตที่ๆ ไม่ใช่ว่าฝึกจนไม่มีความขาดสตินะสติๆสังเกตเอานะการเถ้งติด สารังคะตรงนี้ขออนุญาตย้ําอีกนิดนึง เห็นเนี่ยถึงชื่อจิตตสิกขานะแต่คนไทยชอบๆนะคือศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาทำไม เราก็เลยสมถะตามท่านหมดพอปัญญา <โ อ. S 1> จนถึงได้ถึงฌานที่ 2 แล้วดีนะ แต่ตั้งมันเด่นดวงอยู่นะเสร็จถ้ามารู้กายอย่าเวทนานิ่ง จำเป็นสำหรับพวกรูกายและเวทนามีประโยชน์สำหรับพวกดูจิตจำเป็นกับมีประโยชน์ แต่ธรรมะที่หลวงพ่อพูดนี่แหละคือธรรมะที่พระ สวรรค์ยังมีโทษยังมีทุกข์แทรกอยู่ เรียนไสยัสสะนี่แหละฟังเรื่องอริยสัจนี่แหละได้พระโสดาบันนะเสร็จ แนวอริยสัจเนี่ยธรรมะสําคัญๆก็สอนอริยสัจจนจะถึงนิพพานนะ การมีสตินี่แหละนะไม่ประมาทมีสติรู้กายรู้ใจ 5 5 ไม่ใช่ดับทุกนะใช่ดับทุกข์นะไม่ใช่เป็นจิตอีกชนิดหนึ่งทุกข์จิตชนิดนี้เลยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากขันผลทุกข์นะ แต่ไม่เกาะอะไรนะเรียกกิริยาเป็นมหากิริยาจิตจิต จะเข้าใจผิดว่าภาวนาแล้วขันธ์ 5 จะเป็นสุขขันธ์ ก็สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างมันก็ อย่าว่าจะทําจิตให้หลุดพ้น ทำถ้าฟังไปศึกษาเปรียบเทียบไปจะฟังยากให้เหมือนถ้วยน้ําชาที่ว่างเปล่าถ้า มีบางคนมาเรียนก็มาเรียนด้วยใจๆอย่างนี้ดี ความจริงเป็นเรียนยากฟังสิ่งใหม่ไม่เข้าใจเรียนด้วยใจที่ว่างๆถ้าเราเรียนด้วยใจ ยังภูมิใจว่าภาวนาดีๆฟังไปไปๆบ้างฟังไปก่อนไปก่อน ไม่ต้องฟังหลวงเล็กๆเด็กที่ๆเนี่ยเราเอาขนมไปให้ก็ดีใจนะ สัมมากตธรรมดามันคำเดียวกันอีกนายหลวงพ่อ ในบางโรงผ้าบอกว่าที่วัดเปลี่ยนทั้งวัดแล้ว ทุกขังอริยสัจจังนะทุกขอริยสัจทุกขสัจนะปริญเญยังราชกรรมปะริญาคมยาปะริแปลว่ารอบญา อันที่ 2 อ่ะนะ รับเบอร์ 44 อย่าไปเคลี้ยงสติปัญญา ขอตรงนี้อีกนิดนึงนะคะพระอาจารย์กว่า เพราะมันไปเข้านะนะๆเดี๋ยว เป็นเหนื่อยนะๆเลยนะกรรมฐานนักเรียนดีที่สุดเลยอาจารย์ 1 <laughs> ลูกศิษย์ อาจารย์อยากให้เค้ารู้เรื่องๆๆเอ้อคุณก็ทําไปเถอะนะ นะหมด